เมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมะที่ทำให้อายุยืนนะหรือว่าอายุวัฒนธรรมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าห้าข้อนี้มันเยอะไปนะต่อรองขอน้อยกว่านี้ได้ไหมนะก็ได้นะเหลือสองข้อหรือข้อเดียวก็ยังได้นะถ้าทำจริงนะเรื่องนี้ก็มีที่มานะก็คือคราวหนึ่งนะพระเจ้าปเสนที่กศอนะไปฟาพระเจ้า ที่เชตวันพระเจ้าปเสนทิโกศนี้ก็เป็นคนที่กินจุนะตัวก็เลยอ้วนเวลาไปเฝ้าพระเจ้าก็กราบก็อึดอัดนะนั่งก็อึดอัดเวลาเดินนะก็เดินไม่สะดวกก็เลยปรารถุเงนี้กับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยแนะนํานะก็จัดเป็นคําถอนคําสอนสั้นๆนะเพื่อแก้ปัญหานี้ พระเจ้าจัดว่าเนี่ยผู้มีสติทุกเมื่อนะรู้ประมาณในการบริโภคเวทนาย่อมเบาบางแก่ช้าแล้วก็อายุยืนพระเจ้าประเสริฐยกรสนได้ฟังก็เห็นคล้อยตามด้วยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้อย่างที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าก็เลยให้มหาเล็กนะท่อง คำแนะนำของพระพุทธเจ้าซึ่งตัดเป็นคาถานะสั้นๆแค่ น, นี้แล้วก็เอาไว้ท่องให้พระเจ้าปเป็นที่โกศสนเวลาสเสวยพระกยาหารเพราะว่าเวลาเสวยอาหารเนี่ยนะอาหารอร่อยเนี่ยนะก็ลืมตัวแต่พอมาหาเล็กอ่าสวดหรือว่ากล่าวคาถาของพระเจ้า พระเจ้าปเสนิโกศลก็ได้สตินะแล้วก็กินน้อยลงก็ปรากฏว่าไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะพระเจ้าปเสนิโกศลก็น้ําหนักก็ลดนะเดินเหินก็สะดวกนะเวลาไปนั่งเวลาจะยืนก็ไม่มีความอึดอัดวันหนึ่งก็เลยไปฟ้าผทธเจ้าแล้วก็รายงานผลว่าเนี่ยที่พระเจ้าได้แนะ น, นํานี่มีประโยชน์มากเลย แล้วก็กราบสารเสริญพระพุทธเจ้าว่าสอนทั้งประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมสอนทั้งประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องหน้าก็หมายถึงประโยชน์ทางใจนั่นแหละนะคาถาที่พระเจ้าตรานี้ก็มีสองประการนะผู้มีสติทุกเมือ่อรู้ประมาณในการบริโภคนะเวทนาย่อมเบาบางแก่ช้าและอายุยืนนะใครที่อยากจะแก่ชา้าใครที่อยากจะอายุยืนนะก็ทำสองข้อนี้หรือข้อเดียวก็ได้นะ ก็คือการรู้จักประมาณในการบริโภคก็คือกินอาหารให้พอดีพอดีนะอย่ากินตามใจกิเลสนะรู้ว่าเท่าไหร่ควรพอนะปัญหาคนสมัยนี้เนี่ยก็คงคล้ายกับปัญหาของพระเจ้าระเสนนิโกศลก็คือว่าขาดอาหารนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่าอาหารมันล้นเกินแล้วก็เดี๋ยวนี้นะมันก็มีสิ่งกระตุ้นเราเยอะ ที่ทำให้อยากกินนั่นอยากกินนี่และอาหารก็อร่อยขึ้นเรื่อยๆทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งน่ากินคนเดี๋ยวนี้ก็เลยห้ามใจไม่อยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเกิดโรคอ้วนนะอันนี้เป็นกันเยอะมากตั้งแต่เด็กเลยนะจนถึงผู้ใหญ่นะเมืองไทยปัญหานี้ก็มากขึ้นเมืองจีนเนี่ยซึ่งพึ่งพึ่งรวยมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะ ตอนนี้คนอ้วนก็มีมากขึ้นแล้วก็โรคก็ตามมานะพอโรคตามมาแล้วก็เวทนาก็กาเริบก็ไม่อายุยืนแล้วนะแก่เร็ววิธีแก้นั้นก็มีนะง่ายๆอย่างที่ผู้เจ้าตรัสนะก็คือว่ามีสติโดยเพราะในเวลากินอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคปูงาคือพอเพียงนั่นแหละ แต่ว่าสมัยนี้ไอ้ง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องยากซะแล้วเพราะว่าห้ามใจไม่อยู่นะอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเราเยอะนะของอร่อยๆก็มากและยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์นี่อาหารของชาติต่างๆก็เรียงมาให้เราเห็นแล้วก็น่ากินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของอ า, อาหารเกาหลีญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารเม็กซิกันนะ อาหารอเมริกันมากันเรื่อยๆนะแล้วพวกนี้นี่ก็ลวนแต่เป็นอาหารที่เนื้อหน่มไข่เยอะมากนะโดวยว่าอาหารทางตะวันตกมีคนจำนวไม่น้อยนะรู้สึกเป็นทุกข์กับเรื่องนี้นะห้ามใจไม่อยู่แล้วทำยังไงนะก็อาศัยตัวช่วยนะอาศัยกินยาบ้างแล้วกินยาลดความอ้วนดูดไขมัน บางทีก็หาทางขย้อนให้อ้วกออกมาอยากกินนะแต่ว่ารู้ว่ากินไปแล้วนี่มันทำให้อ้วนก็ขย้อนออกมาแล้วก็กินต่อไอ้พวกนี้ก็มีทอทั้งนั้นนะอย่างที่เรารู้นะไอ้ยาลดความอ้วนนี่ก็ทำให้ตายก็เยอะนะโดยเพราะยาที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายคนนะก็รู้นะว่ามันให้ทางวิธีเหล่านี้ก็อันตรายก็เลยไปหาทางออกใหม่ อย่าที่เคยเล่านะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวนะสาวอเมริกันนี่มีความทุกข์กับโรคอ้วนมากห้ามใจก็ห้ามไม่อยู่นะกินยาลดความอ้วนก็ไม่ดีโ ด, ดยไขมันก็แพงก็กินพญาดดีกว่านะพญาดตัวตื่นพยาดเส้นได้ไม่เอานะมันเล็กไปน้องพยาดติตัวตื่นเพราะว่าเห็นไปเห็นคนนี่มีพญาดแล้วตัวผอมพเพรียวก็เลย ไปหาพยาธิมาต้องซื้อนะต้องไปซื้อเอามันมีขายนะอินเทอร์เนต็ตขายทางอินเทอร์เนต็ตเป็นแคปซูลนะกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวพยาธิมันก็ไปบานในท้องแล้วก็ออกลูกออกหลานหมอเนี่ยก็เพิ่งรู้นะหมอเพิ่งรู้เขาก็ตกใจโอ้ไอ้นี่มันอันตรายนะมันเป็นโทษต่อร่างกายมากพยาธิเนี่ยเระพฤตตายได้นะพอเป็นข่าวนี่ปรากฏว่ามันก็เลยเป็นที่ แพร่หลายกันก็ไปข่าวอื่นๆเกิดขึ้นมาตามมาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ที่อเมริกาอย่างเดียวนะฮ่องกงนี่ก็คนฮ่องกงนี่ก็กินกินพิายาเพื่อลดความอ้วนเยอะเลยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ประหลาดมากแต่มันก็แสดงหหเ็นถึงความอ่อนแรงคนสมัยนี้นะว่าอยากจะลดความอ้วนแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ก็เลยใช้ตัวช่วยและตัวช่วยพวกนี้มันก็อันตรายทั้งนั้น ในทางตรงข้ามการห้ามใจนี่ก็คือกินแต่พอเพียงพอประมาณมันไม่มีโทษอะไรเลยนอกจากทําให้สุขภาพร่างกายดีแล้วสุขภาพใจก็ดีด้วยก็คือว่าจิตใจที่เข้มแข็งนั้นก็เอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้เช่นเอาไปใช้ในการผลักดันตัวให้ออกกําลังกายนะออกกําลังกายมันก็ลดความอ้วนไปได้ในตัวแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นหรือว่าใช้ ใช้กําลังใจที่เข้มแข็งหรือใช้สตินี่ในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการอดกลั้นต่ออารมณ์ต่างๆนะไม่หวันไหวไม่ใจกระเพื่อมต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญคำนินท า, าประโยชน์มันเยอะนะมันมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเร า, เาใช้วิธีปลูกสติขึ้นมาเพื่อรู้จักหักห้ามใจ ให้สามารถที่จะกินอาหารได้อย่างพอเพียงพอประมาณที่จริงการฝึกจิตให้เข้มแข็งนี่มันก็ทำได้หลายอย่างนะนอกจากการเจริญสติแล้วนะการออกกำลังกายก็ดีอย่างสม่ำเสมอหรือว่าการมีวินัยในการดาเนินชีวิตหรือแม้แต่การรู้จักคอยรู้จักเข้าคิวเข้าแถวนะอย่างที่พูดไว้วันก่อนว่าการเข้าการรู้จักคอยมันก็เป็นการปฏิบัติทาได้ นะถ้าคอยเป็นมีคิวยาวกา็เข้าคิวไม่รัดคิวไม่ว่าจะเป็นซื้อตัว๋วหรือว่าขึ้นรถไฟขึ้นรถประจำทางนะหรือว่าเข้าคิวตักอาหารพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกใจได้และใจที่เข้มแข็งจากการฝึกนะมันก็มาใช้นะกับการดาเนินชีวิตกับการเสพการบริโภคนะก็ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่จากการเสพนั้น ไม่ใช่ว่าเสร็จไปแล้วได้ความอร่อยแต่ว่ามันเกิดเป็นโทษตามมาสุดท้ายก็ไปหาทางออกที่เป็นโทษยิ่งกว่าเดิมนะเช่นไปกินยาลดความมุวนไปกินพญาธิพวกนี้นี่นโทษนี่มันมากกว่าคนใช่ไนะก็นี่ถ้าใครรู้สึกว่าอายุวัฒนธรรมมันเยอะไปนะหข้อเอาข้อเดียวก็ได้คือรู้จักประมาณในการบริโภคซึ่งต้องแต่ทาได้ก็ต้องมีสติเข้ามากากับด้วยนะถึงจะ ทำได้ดีทำได้ต่อเนื่องแล้วก็เตรียมรับพร